ก็วันนี้ได้เป็นโอกาสที่ดีนะครับผมข อ, อกราบนักการท่านพระอาจารย์หลวงพ่อปามวดปาโมชโชนะครับได้โปรดแสดงธรรมด้วยครับจเจริญพรโยมหน้าตาคุ้นๆเป็นส่วนมากนะ <c oughs> มีใครไม่เคยฟังธรรมะหลวงพ่อบ้างไหมมีไหมไม่เคยฟังซีดีไม่เคยอ่านหนังสืออะไรเลยเนี่ยมีมไหมก็อย่างนี้ค่อยมีกําลังใจเทศหน่อย <c oughs> พวกเก่าๆไม่รู้จะเทศอะไรให้ฟังฟังกันเรื่อยๆพวกเราชาวพุทธทั้งหลายนะเป็นคนที่มีบุญโดยตัวเราเองอยู่แล้วคนในโลกมีจํานวนมากแต่คนที่จะมีโอกาสได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้ามีไม่มากนะแล้วพวกเราเป็นชาวพุทธส่วนน้อยในบรรดาชาวพุทธทั้งหลายซะอีกในเมืองไทยก็มีชาวพุทธในทะเบียนบ้า น, นหลายสิบล้าน เอาเข้าจริงแล้วที่เป็นชาวพุทธแท้ๆ ท, ที่จะมีโอกาสได้ฟังธรรมะเนี่ยมีไม่มากหรอกส่วนมากทุกวันนี้เราไปเข้าวัดนะก็ไปงานศพใช่ไหมไม่ค่อยมีงานอย่างอื่นละเวลาจะทำบุญบ้านทีนก็นิมนต์พระมาทีนถึงวันเกิดทีหนึ่งใส่บาตรทีนเราก็คิดว่าแค่นี้เป็นชาวพุทธละในความเป็นจริงแล้วห่างไกลจากความเป็นชาวพุทธมากคนที่เป็นชาวพุทธแท้ๆนั้นะมีจานวนไม่มากหรอก พุทธะแท้ๆ แ, แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคนในโลกนี้เต็มไปด้วยคนหลงไม่มีคนตื่นไม่มีคนรู้ความจริงของชีวิตจะาพูดเราเป็นผู้รู้รู้อะไรรู้ความจริงของชีวิตตัวเองรู้จนกระทั่งสามารถพ้นจากความทุกข์ได้คนในโลกก็เต็มไปด้วยความทุกข์อยู่ในโรงพยาบาลใช่เราเห็นมีแต่ความทุกข์เกิดขึ้นตลอดเวลาเดี๋ยวก็มีคนเกิด เดี๋ยก็มีคนแก่คนเจ็บคนตายเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลให้เราดูเยอะแยะไปหมดเลยนีย่ในโรงพยาบาลเนี่ยความทุกข์มันแสดงตัวอยู่เยอะแย ะ, ยะแต่ถ้าไม่รู้จักมองให้ถูกมุมเราก็มองไม่เห็นเราก็รู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาคนอื่นมันแก่คนอื่ น, ม, น, น, นมันเจ็บมันคนอื่นมันตายไม่ใช่เรายังไม่เป็นไรไว้ถึงคราวของเราค่อยว่ากันใหม่ ตอนนี้คงยังไม่ถึงเราหรอกใช่เราก็ชับคิดอย่างนี้อันนี้เรียกว่าความประมาทในความเป็นจริงแล้วในความทุกข์เข้าถึงตัวเมื่อไร่ก็ได้งฉะนั้นพวกเราชาวพุทธที่มีบุญวาสนานะได้ฟังธรรมะสนใจคำสอนของพระพุทธเจ้ามาฟังฟังแล้วก็ต้องอลงมือปฏิบัติเพื่อว่าวันหนึ่งความทุกข์มาถึงเรานี่เราสู้ได้คนทั่วโลกเวลาความทุกข์เข้ามาถึงตัวนะก็ทุรนทุรายไป ในโรงพยาบานเห็นไหมเดี๋ยวก็ร้อ ง, องห่มร้องไห้เดี๋ยวก็ยังโน่นย่างนี้ไม่รู้จักความจริงของชีวิตปฏิเสธความจริงของชีวิตไปเรื่อยๆถ้าเมื่อไหร่เราสามารถรู้ความจริงของชีวิตได้นะเราก็จะไม่ทุกข์กับมันมันจะเกิดสภาวะที่อัศจรรย์มากเลยคือร่างกายมันมีความทุกข์นะแต่จิตใจมันจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปละร่างกายเนี่ยเกิดมาแล้วยังไงก็ต้องทุกข์ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหนีไม่รอดหรอกแต่ว่าจิตใจ ที่ได้ฟังธรรมะในจิตใจที่ได้พัฒนาแล้วมีความสุขอยู่ตลอดเวลาเพรนั้นชาวพุทธเราจะบางคนบอกว่าชาวพุทธมองโลกแง่ร้ายพูดแต่เรื่องทุกข์อันนั้นเข้าใจผิดแล้วชาวพุทธที่แท้จริงนะเมื่อเราฝึกปฏิบัติไปเราจะพบความสุขมากขึ้นมากขึ้นนะไม่ใช่ว่ามีแต่ความทุกข์อย่างเดียวเราเข้าใจความจริงของชีวิตนะเข้าใจความทุกข์แต่จิตใจเราจะยิ่งมีความสุขมากขึ้นมากขึ้น พวกเราลองนึกถึงความสุขในชีวิตที่ผ่านมาลองนึกดูสิตอนไหนก็ได้ตรงที่เราคิดว่ามีความสุขที่สุดช่วงไหนในชีวิตลองนึกดูพอมันผ่านมาแล้วเรารู้สึกมันก็งันๆแหละก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรว่างเปล่าไม่เหมือนความสุขในธรรมะนะยิ่งฝึกปฏิบัติไปยิ่งมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นเป็นความสุขที่ไม่อิงอาศัยคนอื่นไม่อิงอาศัยสิ่งอื่นมันอิ่มมันเต็มอยู่ในตัวเองได้ น, นั้นชาวพุทธเราเนี่ยมีโอกาสที่จะได้สัมผัสความสุขอันมหาศาลนี้สุขจริงๆนะสุขมหาศาลเลยพระพุทธเจ้าถึงบอกว่านิพพานังปรามังสุ ข, ขัง น, นิพพานเป็นบรมสุขนิพพานไม่ใช่โลกอุดมกติไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าเมคขึ้นมาสร้างขึ้นมาเพื่อจะหลอกให้เราทําดีนะไม่ใช่นิพพานมีจริงๆนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่เองแต่ใจของเรามันไม่มีคุณภาพพอที่จะเห็นนิพพานเท่านั้นเอง ถ้าเราฝึกปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมะใจเราสัมผัสกับธรรมะในใจเราจะเห็นนิพพานเป็นลําดับลําดับไปไม่ยากไม่เกิดวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งจะทําได้ธรรมะไม่ใช่เรื่องยากเราอย่าไปวาดภาพนะว่าจะปฏิบัติธรรมเนี่ยยากแสนเข็นต้องอดข้าวเย็นต้องอยู่ประพฤติพรหมจรรย์มีลูกมีมีอะไรไม่ได้นะมีสามีไม่ได้อะไรไม่ถึงขนาดนั้นหรอก หรือว่าต้องอดนอนต้องทําอะไรที่ลําบากต้องนั่งสมาธินานๆ น, นต้องเดินจงกรมมาลหลายหลายชั่วโมงถึงจะสัมผัสกับธรรมะได้แท้จริงไม่ได้ลําบากอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมจริงๆง่ายถ้ารู้หลักแล้วจะง่ายที่สุดเลยถ้าไม่รู้หลักนะถึงจะลําบากความยากลําบากทั้งหลายนะัมันมันเป็นภาพลวงตาเราเราคิดว่าต้องทําอะไรลําบากลําบากไปแล้ววันหนึ่งจะได้ธรรมะมา ธรรมะไม่ได้เกิดจากความลำบากนะธรรมะเกิดจากการที่เราสามารถเรียนรู้ความจริงของชีวิตเราได้ถ้าเข้าใจความจริงของชีวิตได้เราก็สัมผัสธรรมะสัมผัสกับความสุขทุกวันนี้คนไปเรียนกับหลวงพ่อ น, ะนับจํานวนไม่ทั่วแนละ้บางคนไม่เคยเจอหลวงพ่อหรอหกฟังซีดีเอาอ่านหนังสือเอาจนใจเนื้อตื่นขึ้นมาพูดถึงจิตตื่นใจตื่นนี่ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ละคนในโลกถ้าพูดตรงไปตรงมานะัคนในโลกนี่ฝันตลอดเวลาเลย ทั้งๆ ท, ที่ลืมตาอยู่นี่แหละใจเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลาในโลกไม่มีคนตื่นนอกจากคนที่ได้ยินธรรมะได้ฟังธรรมะแล้วก็หัดเจริญสติจนมีสติที่แท้จริงขึ้นมาแล้วเนี่ยจิตใจถึงจะตื่นขึ้นมาก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยจึงจะสามารถเห็นความจริงของชีวิตได้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตชีวิตก็คืออะไรคือกายกับใจนี่เองร่างกายกับใจิตใจของเรานี่เองนะ งั้นเราจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจเรียกว่าเรียนรู้ความจริงของชีวิตก่อนจะเรียนรู้กายรู้ใจได้เราต้องตื่นขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความคิดซะก่อนเพราะความคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ปิดบังความจริงเอาไว้เวลาเราคิดสมมุตินะสมมุติว่าโยมนี้ไปคิดว่าตอนนี้ฉันเป็นนางงามจักรวาลคิดได้ไหมคิดได้ใช่ไหมแต่ความจริงอย่างไม่ใช่เพราะยังไม่ได้ไปประกวดถ้าไปประกวดก็าอาจจะได้ก็ได้ถ้าเกิดเข้อนิยมแบบนี้ขึ้นมา โลกเขาสมมุติหนังเกิดพิมพ์นิยมเป็นแบบนี้ลตอนนี้นะก็ได้นี่เราคอยฝึกนะขั้นแรกเลยหัดรู้สึกตัวให้เป็นก่อนคนในโลกนี้หลงตลอดวันตลอดคืนคือใจลอยทั้งวันทั้งคืนใครรู้จักใจลอยบ้างนีไห ม, มเอางี้ใครไม่รู้จักใจลอยใครไม่รู้จักใจลอยยกมือขึ้นแค่นี้ก็รู้จักทั้งห้องแล้วเห็นเพราะวัฒนธรรมไทยเราไม่ชอบยกมือ กทั้งมือตัวเองยังไม่ค่อยใช้เลยเห็นไหมเดี๋ยวนี้ต้องมีมือพลาสติกใช่ม <c oughs> <c oughs> มีเท้าพลาสติกไม่มีวัฒนธรรมยกมือหรอกของเราอันนี้เป็นวัฒนธรรมแบบพระพระเนี่ยนะถ้าเห็นด้วยเราจะนั่งนิ่งๆถ้าไม่เห็นด้วยถึงจะต้องพูดออกมาขัดขานคนไทยเราก็ไม่ยกมือหรอกรู้จักไหมความใจลอยรู้จักมือไหมมือมือใจลอยสังเกตไหมขนาดที่มือ ขณะที่เราเมานะเราจะลืมตัวเองขณะที่เหมอเมื่ อ, อไหร่นะเราลืมกายขณะที่เหมอเราจะลืมจิตใจของตัวเองเคยเห็นคนโทรศัพท์ไหมคนที่พูดโทรศัพท์คนที่พูดโทรศัพ ท, พทพ์นะเขากำลังหลงอยู่ในโลกของความคิดคิดเรื่องนี้คุยคิดคิ ด, คดไปคุยไปคุยไปนะในขณะนั้นเขาจะลืมกายลืมใจสัง เ, เกตไหมเขาชอบทําท่าแปลกๆ เขาคนนั้นก็คือเรานี่แหละเวลาโทรศัพท์เราต้องทําท่าประหลาดประหลาดเคยสังเกตไหมบางคนนะสวยสวยนะเป็นสาวไฮโซสา ว, ส, าวสวยงามเวลาโทรศัพท์เผลอๆนะคุยไปแค่ขี้ฟันไปก็มีนะแค่ขี้ผูแค่ขี้ฟันเกา่าโน่นเก่านี่นะเพราอะไรมลืมตัวเองไปงั้นเวลาเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเมื่อไหรนะเราจะลืมตัวเราเองสังเกตไหมตอนใจลอย เวลาที่ใจลอยนะั้นเรามีร่างกายอยู่แท้ๆเลยแต่เราลืมมันไปเวลาเราใจลอยนะเรามีจิตใจแท้ๆเลยเราก็ลืมมันไปเรารู้แต่เรื่องที่เราคิดบางทีคิดอะไรอย่างไม่รู้เลยเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าตอนนี้จิตใจของเราเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันลืมตัวเองไปไม่สามารถจะรู้ตัวเองได้ฉะั้นความใจลอยความเหม่อๆไปเนี่ยคือศัตรูหมายเลขหนึ่งของผู้ปฏิบัติธรรม ถ้าเมื่อไหร่เราใจลอยเรามีร่างกายก็เหมือนไม่มีเพราะราลืมมันไปเรามีจิตใจก็เหมือนไม่มีเพราะเราลืมมันไปงั้นศัตรูตัวที่หนึ่งเลยนะศัตรูที่ร้ายแรงที่สุดเลยของผู้ที่จะต้องการเรียนรู้ความจริงของชีวิตก็คือความเหม่อไปความหลงไปความใจลอยไปความเผลอเผลอเพลินเพลิล น, ลนไปเผลอไปทีหนึ่งหมดเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ได้ใช่ไหมเหมือนเราตายหายไปตรงนั้น เผลออยู่ชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็เหมือนเราหายไปจากโลกอยู่ชั่วโมงสองชั่วโมงดังนั้นเราต้องคอยคอยรู้ทันตัวเองนะถ้าใจเราเผลอไปเม่อไหร่ให้เราคอยรู้เอาใจลอยไปแล้วนะเวลาเผลอไปอีกก็คอยรู้ไว้นี่ใจลอยไปอีกแล้วนะหัดรู้ทันความใจลอยของตัวเองไว้ถ้าเราสามารถรู้ทันความใจลอยของตัวเองได้นะใจเราจะตื่นขึ้นโดยอัตโนมัติจะตื่นภาวะแห่งความตื่นเนี่ยพูดโดยภาษามนุษย์นี่ยากที่สุดเลย แต่ตอนนี้คนที่เรียนกับหลวงพ่อแล้วตื่นนี้มีเป็นหมื่นหมื่นคนละมีเป็นพันมีเป็นหมื่นที่ตื่นขึ้นมาได้ะหายากมากนะคนที่จะตื่นแต่ก่อนหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์วัดป่าเรียนตั้งแต่หลวงปู่ดูลหลวงปู่เทศหลวงปู่สิมอะไรย่างงี้เรื่อยๆไปอาจาหาบัวเลยนะไปเรียนกับท่านได้พบความจริงอันหนึ่งนะว่าคนที่ตื่นขึ้นมานี่มีไม่มากอะ่ะในแต่ละแห่งแต่ละที่ไม่ค่อยมีอะนะ ส่วนใหญ่ก็ยังหลงไปอยู่ในโลกของความคิดไม่ก็ไปทําสมถะอย่างเดียวน้ําใจให้นิ่งๆเงียบๆไม่คิดไม่นึกอะไรนะั่นว่งว่างๆนิ่งๆอยู่อย่างนี้ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจสภาวะแห่งความตื่นหลวงพ่อพ า, พาเพื่อนๆไปหลวงพ่อสอนเพื่อนๆไว้สักสิคนนะนั่งรถตู้ไปเนี่ยเล้าไปตามวัดครูบาจารย์เห็นนะหันมามองเลยว่าไปรวมกันมาได้ยังไงตั้งเยอะเลยตั้ง10บคนนี่ถือว่าเยอะแล้วนะนเยอะแล้วไปรวมมาได้ไงคนตื่นขึ้นมาตั้งสิบคน มาถึงวันนี้นะคนที่ตื่นขึ้นมามีเยอะแยะไปหมดแล้นะคนที่ได้ฟังธรรมะเนี่ยแล้วจิตตื่นขึ้นมามันน่าอัศจรรย์ตรงที่ว่าคนทั้งโลกเนียมันตื่นแต่ร่างกายจิตไม่ตื่นหนระจิตของเราฝันทั้งๆ ท, ท, ที่เราลืมตานะจิตเราคิดตลอดวันรู้สึกไหมมีใครไม่คิดบ้างมีไหมนะใครไม่คิดไม่ต้องยกมือนะใจของเราคิดทั้งวันใจของเราคิดทั้งคืนไม่เคยหยุดคิดเลยขนะนาที่เราคิดใช่ไหม สังเกตไหมตอนที่เราคิดบางทีก็รู้เรื่องที่คิดบางทีไม่รู้ว่าคิดอะไรสังเกตไหมขณะที่เราคิดรู้เรื่องที่คิดหรือไม่รู้เรื่องที่คิดก็ตามขณะนั้นเราลืมกายเราลืมใจมีร่างกายก็เหมือนไม่มีและมีจิตใจก็เหมือนไม่มีเพราะเราไปหลงอยู่ในโลกของความคิดเพราอนคนที่หลงไปคิดนี่เรียกคนหลับอยู่คนที่ประมาทคนที่ขาดสตินั่นเองพระพุทธเจ้าถือว่าคนประมาทคือคนขาดสติคนขาดสติก็คือคนที่ลืมกายลืมใจของตัวเอง เมื่อไหรลนะืมกายเมื่อไรลืมใจแล้วเมื่อนั้นเรียกว่าขาสติงั้นเราหัดรู้สึกตัวนะอย่าใจลอยขั้นแรกหัดรู้สึกตัวเรื่อยทำยังไงจะรู้สึกตัวนะใจลอยไปเรารีบรู้วไวๆจิตแอบไปคิดเรารู้ไวว่าจิตหนีไปคิดแล้วนะต้องฝึกอย่างนี้นะจิตแอบไปคิดให้รู้ว่าจิตหนีไปคิดฝึกอย่างนี้บ่อยๆต่อไปพอจิตไหลไปคิดปั๊บสติจะเกิดเองเราจะรู้สึกเลยเมื่อกี้หลงไปคิดจะรู้สึกว่าเมื่อกี้หลงไปคิด ทันทีที่รู้ว่าเมื่อกี้หลงไปคิดนะจิตจะตื่นขึ้นโดยอัตโนมัติเลยเขาคิดกับรู้เนี่ยเป็นศัตรูกันถ้าเมื่อไหร่รู้เมื่อนั้นไม่คิดเมื่อไหร่คิดเมื่อนั้นไม่รู้งั้นค่อยๆฝึกนะค่อยๆสังเกตจนใจเราตื่นขึ้นมาพอใจเราตื่นได้แล้วก็ค่อยปฏิบัติทำในขั้นต่อไปพอตื่นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปก็คือคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจคอยดูความจริงของกายของใจนี่เรียกว่าเรียนรู้ความจริงของชีวิตแล้ว พวกเราเคยรู้สึกไหมร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมร่างกายนี้หายใจเข้าร่างกายนี้หายใจออกร่างกายนี้เดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนร่างกายนี้เดี๋ยวก็เมื่อยใช่ไหมร่างกายนี้เดี๋ยวก็ขันอย่างนั่งตรงนี้มีใครยังไม่เมื่อยบ้างมีไหมช่วยโชว์ให้ดูหน่อยว่าคนไหนยังไม่เมื่อยมีไหมนั่งมาสูงว่าสิบนาทีไม่มีสิบนาทีก็เมื่อยละ มันพิสูจน์ได้ด้วยอะไรเรากระดุกกระดิกรู้สึกไหมเรานั่งนิ่งๆไม่ได้จริงหรอกนั่งแล้วต้องขยับนั่งแล้วต้องขยับตลอดเวลาเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันเมื่อยความทุกข์มันบีบคั้นเราอยู่ตลอดเวลาเนะนี่ยจริงๆแล้วก็คือร่างกายเนี่ยเต็ไมไปด้วยความทุกข์นะมีความทุกข์บีบคั้น <pancakes> อยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นเราคิดว่าต้องไม่สบายมากๆนะหา ม, มาโรงพยาบาลแล้วถึงจะเรียกว่าร่างกายมีความทุกข์ในความเป็นจริงร่างกายมีความทุกข์เบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาเลย เดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็คันรู้สึกไหมมีใครยังไม่ได้เก่าเลยบ้างตั้งแต่เข้ามาเนี้ยมีไหมรู้สึกไหมหรือว่าไม่รู้หรอกว่าเก่าคุณเมื่อกี้รู้สึกไหมเยอะคันเ่เก่าทําไมต้องเก่าเพราะมันคันใช่ไหมร่างกายมันมีความทุกข์ขึ้นมานี่นความทุกขนะ์นั้นมันเบียดเบียนตลอดเวลาเลยแต่เราไม่เคยรู้สึกตัวเรามัวแต่ใจลอยเพราะฉะนั้นคันขึ้นมาเราก็เก่าไปเลยเราไม่รู้หรอกว่ามันทุกข์ เมื่อเราก็ขยับไปเลยเราไม่เคยรู้เรากว่ามันทุกข์นั้วเราคอยขยับตัวไปเรื่อยๆเราก็เลยมองไม่เห็นเลยว่ามันทุกข์แต่ถ้าเราคอยรู้สึกตัวอยู่นะเราจะเห็นว่ามันทุกข์ตลอดเวลาเลยยกตัวอย่างนะพวกเราทั้งห้องเลยนะช่วยกันหายใจเข้านะหายใจเข้าหายใจสบายๆหายใจเข้าไปเรื่อยๆอย่าหายใจออกนะ <c oughs> ดูซิว่าจะทุกข์หรือจะสุขนะทาได้ไหมสังเกตหว่าหายใจเข้าไปเรื่อยๆก็ทุกข์ใช่ เราต้องหายใจออกหายใจออกเพื่ออะไรเพื่อจะแก้ทุกข์หายใจออกไปเรื่อยๆสิทําได้ไหมเราหายใจออกไปสัก5นาทีนะทําไม่ได้นะมันทุกข์อีกแล้วต้องหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์อีกแล้วนี่ความทุกข์นะมันบีบคั้นเราตลอดเวลาแต่เราไม่เคยเห็น เ, เราก็เลยประมาทนะเราคิดว่าอีกนา น, น ก, กว่าเราจะทุกข์นะต้องถูกเ้าหามมาเข้าโรงพยาบาลก่อนถึงจะทุกข์ในความเป็นจริงเราทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยเห็นสักหนักนะ คนที่ฝึกรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นในร่างกายนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะมันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็จะเห็นในร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นวัตถุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาเช่นกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายน้ำดื่มน้ําแล้วก็ไปปัสสาวะไปเหงื่อออกอะไรเงี้ยหายใจเข้าแล้วก็ต้องหายใจออกเลยเนี่ยร่างกายจริงๆแล้วเป็นแค่วัตถุเท่านั้นเองเป็นวัตถุทาทธาตุที่มีธาตุเคลื่อนไหวอยู่ วัตถุธาตุทั้งหลายเคลื่อนไหวตลอดเวลานะคราหนึ่งหลวงพ่อไปอยู่กับหลวงปู่ดุลท่านก็ชี้ให้ดูว่าดูไหมแผ่นกระเบื้องเนี้ยก็เคลื่อนไหวได้กระเบื้องสาราเอกุติท่านเราดูไม่เห็นมันเคลื่อนไหวเลยนะมันก็อยู่กับที่ท่านบอกว่าข้างในมันนะมันประกอบด้วยอนุจำนวนมากเลยแล้วอนุเนี้ยเคลื่อนไหวดูสิพระไม่เคยเรียนหนังสือนะพระไม่เคยเรียนหนังสือนะท่านอธิบายเฉยเลย แถมท่านวิจาร์ไอสไตน์ได้ด้วยหลวงปูดดูลย์ท่นเพระประหลาดท่านบอกว่าสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตล้วนแต่เคลื่อนไหวทั้งสิ้นตอนหลวงพ่อเด็กๆนะหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาสอนนบอกสิ่งมีชีวิตนี่เคลื่อนไหวได้สิ่งไม่มีชีวิตมันไม่เคลื่อนไหวก็จักรวาลทั้งจักรวาลยังเคลื่อนไหวอยู่เลยนี่มันเราไปบอกว่าสิ่งมีไม่มีชีวิตมันเคลื่อนไหวไม่ได้ก็จักรวาลเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเร็วกว่าเราสิงั้นทุกอย่างนะมันเคลื่อนไหวตลอดเวลา สิ่งที่เป็นร่างกายเรานี้ก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหน้าตาเราปีนี้กับหน้าตาเราปีก่อนก็ไม่เหมือนกันแต่ราช่วงแต่ละเวลาก็ไม่เหมือนกันค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะเราสาวตลอดเวลาไม่ได้นะเราแข็งแรงตลอดเวลาไม่ได้ถึงวันหนึ่งก็ต้องแก่ลงไปสาวๆรู้สึกไหมตอนอายุจะ3ารู้สึกยังไง ร, รู้สึกหมแต่จะไม่เหมือนตอนอายุ15ใช่ กำลังจะ16เนี่ยความรู้สึกเป็นอีกแบบหนึ่งนะตอนอายุ28เนี่ยความรู้สึกจะหวั่นไหวแล้วยบเกหวั่นไหวมาก30หวั่นไหวเยอะเลยเห็นไหมพอสามสสองเนะีเฉยๆแล้วพอสาชักหวั่นไหวอีกรอบหนึ่งแล้วนะเป็นไหมนะนี่เรื่องจริงนะสองกระจกนะ้ตีนการอันที่หนึ่งขึ้นนะกลุ่มใจมากเลยพอขึ้นอันที่20นะ่เนีเฉยๆแล้วนะคุ้นเคย จริงๆเลาร่างกายนะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคอยรู้สึกตัวนะคอยรู้สึกแล้วคอยดูมันไปเรื่อยเราจะเห็นเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษลไม่ใช่ของน่ารักเลยร่างกายนี้เป็นที่ตั้งของความทุกข์นานาชนิดเลยเนี่ยถ้าจิตใจเราเห็นตรงนี้จิตใจเรายอมรับความจริงได้ว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์นะไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอก ถ้ายอมรับความจริงได้นะเวลาร่างกายนี้แก่เวลาร่างกายนี้เจ็บเวลาร่างกายนี้จะตายเนีเราจะไม่กลุ่มใจเพราะเรายอมรับความจริงได้มันไม่ใช่ของวิเศษหรอกทุกวันนี้เรายอมรับความจริงไม่ได้ว่ามันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายเพราะเราคิดว่ามันเป็นของดีของวิเศษเป็นตัวเราที่แท้จริงถ้าเราหัดเจริญสติมากเข้ามากเข้าเราจะรู้เลยร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์นั้นมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายเนี่ยใจเรายอมรับความจริงมันมีธรรมดาเป็นอย่างนี้แหละ เราเริ่มเห็นธรรมดาของร่างกายเนี่ยถ้าเรามีสติรู้ร่างกายบ่อยๆเราจะเห็นว่าธรรมดาของร่างกายเป็นอย่างนี้แหละมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายถ้าใจยอมรับความจริงตรงนี้ได้นะเราจะไม่ทุกข์เพราะความแก่เพราะความเจ็บเพราะความตายธรรมดานั่นแหละคือตัวธรรมะถ้าเมื่อไหร่เราเห็นว่าธรรมดาร่างกายมันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นตัวทุกข์อยู่อย่างนี้แหละเรายอมรับตรงนี้ได้พอมันแก่มันเจ็บมันตายเราจะไม่เดือดร้อนนะ มันเป็นความจริงของชีวิตที่จะต้องเป็นอย่างนี้คนที่เวลาร่างกายเจ็บป่วยหรือแก่เท่าลงไปพิกลพิการไปแล้วใจมีความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเพราะยอมรับความจริงไม่ได้ถ้ายอมรับความจริงได้นะว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอะไรเนี่ยจะไม่ทุกข์หรอกความทุกข์จะอยู่ที่ร่างกายเท่านั้นความทุกข์จะไม่มาถึงใจเรานี่ฝึกไปเรื่อยๆนะแค่รู้สึกกายนะความทุกข์ก็ลดไปตั้งเยอะละ ต่อไปเราก็หันรู้สึกใจบ้างใจของเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใจของเราเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเราหันรู้ทันใจของตัวเองบ้างแต่ละคนอยากมีคนรู้ใจเรียกร้องเหลือเกินอยากมีคนรู้ใจสักคนหนึ่งพอมีหนึ่งคนนะถ้ามีสองคนจะดีกว่าี่อีกเนะ <c oughs> อยากมีหลายหลยคนมีคนรู้ใจแทนที่จะไปเที่ยวแสวงหาคนรู้ใจที่อื่นนะมาเป็นคนรู้ใจตัวเองก่อน ถ้าใจของเราเรายัางไม่รู้เลยจะไปให้คนอื่นเขามารู้ใจเราได้อย่างไรแล้วลองมาดูใจของเรานะใจของเราเนี่ยเต็มไปด้วยกิเลสทั้งนั้นเลยเดี๋ยวก็โลภขึ้นมาอยากน้อนอยากนี่เดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็หดหูเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจนะเดี๋ยวก็เซ็งเดี๋ยวก็สนุกเนะี่ยใจเราหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตอลอดเวลาเลย ลองนึกตัวในความสุขในชีวิตเราที่ว่าใจิตใจเรามีความสุขมันสุขนานแค่ไหนนะสมมุตินะสมมติว่าเล่นแชร์เปียแชร์ได้มีความสุขรู้สึกไหมแต่สูขอยู่วันนั้นแหละ ว, วันต่อไปจะเริ่มไม่สุขละงั้นความสุขเนี่ยนะสั้นมากเลยความสุขทางใจเราเราใครยรู้สึกไปนะคอยรู้ทันความรู้สึกในใจของเราบ่อยๆนะรู้สึกกายแล้วก็คอยรู้สึกใจไปด้วยนะรู้สึกกายก็ได้นะรู้สึกใจก็ได้ไม่ใช่ต้องรู้ทีละอย่างหรอก มันรู้สลับกันไปเรื่อยๆแหะเพรา ะ, ะนั้นดูใจของเราใจของเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันเลยบางวันตื่นขึ้นมาก็สดชื่นนะบางวันตนื่นขึ้นมาก็แห้งแล้งเหี่ยวเฉาเมื่อก่อนหลวงพ่อรับราชการนะเป็นข้าราชการแล้วเป็นข้าราชการชั้นดีด้วยนะเลื่อนขั้นเลื่อนสีพลัดพลาดเลยโตเร็วโตวเร็วจนเราเซ็งนะัเลยลาออกเลยเบือ่อตอนรับราชการอยู่นะหลวงพ่อก็หัดปฏิบัติลนะเมื่อปี25งพยยี้าเจอหลวงปู่ดุล บางคนยังไม่เกิด 2,525 ค 25. วามจริงหลวงพ่อภาวนาตั้งแต่ 2,502 ฝึกท่านพ่อลีวัดอโศการามแต่นั่นเรียนสมาธิยังไม่ได้ขึ้นวิปัสสนาจนมาเจอหลวงปู่ดูลเมื่อปี25ทำสมาธอยู่ทั้ง22ปีนี่พอมาเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูใจตัวเองหลวงพ่อก็หัดดูใจตัวเองทุกวันเลยเราเป็นข้าราชการนะตื่นเช้าขึ้นมาวันจันทร์ พอตื่นเช้าขึ้นมาเรานึกได้ว่าวันนี้วันจันทนะใจนี้แห้งแล้งเลยไม่รู้เพราะอะไรนะไม่รู้ว่าเพราะอะไรตื่นขึ้นมาพอนึกได้ว่าวันจันร์ใจแห้งแ้งเลยพอนึกได้วันนี้วันอังคารนะเซ็งเซงนะวันพุธนี่เป็นวันสุดเบื่อวันพฤหัสเป็นวันแจ่มใสแล้วรู้สึกไหมเริ่มสดชื่นวันศุกร์นะพอตื่นขึ้นมานึกได้วันนี้วันศุกร์นะโอ๊้สดชื่นมากเลยเนื้อใจเราแค่แค่เราคิดเท่านั้นเองเราคิดว่าวันนี้วันอะไรนะ ความรู้สึกในใจเรายังไม่เหมือนกันเนี่ยการปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรมากไม่ใช่เรื่องยุ่งยากซับซ้อนไม่ใช่ต้องนั่งสมาธิมากๆเดินมากๆต้องอดข้าวเย็นต้องไม่ยุ่งกับเมียไม่ต้องอะไรทั้งนะมากมายเงื่อนไขามากมายในความเป็นจริงนะการปฏิบัติธรรมนั่นคือการคอยรู้สึกกายรู้สึกใจดูกายมันทํางานดูใจมันทํางานไปจิตใจเราก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดนะแค่นึกว่าวันจันทร์ใจแห้งแรงนะวันพุธนี้ขี้เกียจที่สุดเลย พอถึงวันศุกร์นะสดชื่นสดชื่นนะยิ่งถ้าศุกร์ไหนเป็น long week end ลองวิกเอนด์จะสดชื่นเป็นพิเศษใครเคยเป็นไหมหรือว่าชาวสมเด็จ น, นะศรีราชาเนี่ยถึงวันศุกร์โอ้โแย่จังเลยพรุ่งนี้ไม่ได้ทํางานเสียใจนะไม่เห็นคนไข้ดิ้นกระแดกกระแดกสงสารอยากมาทาทุกวันเนี่ยเราซื่อตรงกับความรู้สึกของตัวเองนะใครรู้ลงไปเรื่อยเรืหรือคนไข้ก็เหมือนกันนะอย่างหมอบอกว่าพรุ่งนี้กลับบ้านได้แล้ว สดชื่นแล้สดชื่นถ้าหมอบอกยังไม่รู้เลยว่าจะได้กลับเมื่อไหร่ใจแห้งแรงแล้วนี่ยเราคอยรู้ทันใจของเราใจเราสดชื่นขึ้นมาก็รู้ใจเราแห้งแล้งก็รู้ใจเราขี้เกียจก็รู้ใจเราเป็นยังไงก็รู้การปฏิบัติธรรมเนี่ยเราปฏิบัติในชีวิตจริงๆของเราเนี่ยเพราะในชีวิตธรรมดาของเราเนี่ยมีร่างกายมีจิตใจการเรียนรู้ตัวเองคือการเรียนรู้กายรู้ใจเราปฏิบัติอยู่ในชีวิตธรรมดานี่แหละดีที่สุดเลย จะกินข้าวก็ปฏิบัติทําได้นะเช่นวันนี้เดินลงไปลงอาหารนะโอ้โหมีแต่ของที่ชอบทั้งนั้นเลยสบายใจรู้สึกไหมสบายใจวันนี้เดินลงไปนะมีแต่ของไม่ชอบนะใจแห้งแรงเลยไม่ชอบรู้สึกแม่ค้าพวกนี้ขาด Innovation นไม่มีความคิดริเริ่มอะไรที่ดีๆเลยไม่มีพัฒนาการเลยนะทำอะไรซ้ำซากเนี่ยกินมา30ปีแล้วเหมือนเดิม เห็นไหมแค่ตาเรามองเห็นตาเรามองเห็นอาหารนะใจเรายังเปลี่ยนเลยสมมุตินะสมมุติเด็กคนนึงชอบกินไข่เจียวมากเลยวันนี้เห็นไข่เจียวดีใจแล้วแค่นี้ก็ดีใจแล้ผู้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าต้องไม่กินไข่เจียวนะแต่ว่าพอเห็นไข่เจียวแล้วดีใจเนี่ยรู้ทันใจตัวเองว่ามันดีใจขึ้นมาแล้วอัปตักใส่ปากนะโอ้ยไม่เอาไหนเลยมันลืมใส่น้ำปลาเปลี่ยนจากดีใจเป็นโมโหนึกออกไหม เราก็รู้ทันเนี่ยใจที่ดีใจหายไปแล้วเกิดใจที่โมโหขึ้นมาแทนนี่ง่ายๆอย่างนี้แหละการปฏิบัติอย่าไปวาดภาพพรามันยุ่งยากอะไรนะการปฏิบัติทำคือการเรียนรู้ตัวเองดูความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไปหนะลวงพ่อนะต้งแต่ตื่นนอนหลวงพ่อก็หัดภาวนาคือหัดรู้ทันตัวเองจะกินข้าวหลวงพ่อก็หัดรู้ทันใจตัวเองนะจะอาบน้ํายังหัดรู้เลยแต่ก่อนคนโบราณนะทุ่นหลวงพ่ออาบน้ําในตุ่มนะ พวกเรามีใครเคยอาบน้ําในตุ่มไหมมีไหมนายยกมือให้ด้วยหน่อยนี่ผู้ร่วมชะตากรรมนะสังเกตไหมเวลาหน้าหนาวเห็นตุ่มน้ําแล้วรู้สึกยังไงนะโอ้โหเนี่ยเป็นความรู้สึกที่คนที่ไม่เคยรู้นะนึกไม่ออกอนะ่ะเห็นก็สยองละนี่ถ้าเราสมมุติหน้าหนาวนะเราเห็นตุ่มน้ำนะใจเราสยองอะสยองรู้ว่าตอนนี้ใจมันสยองอาบน้ําขันที่หนึ่งกลัวมากที่สุดรู้สึกไหม ขันที่สองเนี่ยความกลัวค่อยลดลงลดลงลดลงพอขันท้ายๆเนี่เริ่มเปลี่ยนจากกลัวเป็นดีใจแล้เดี๋ยวจะเลิกละพออาบน้ําเสร็จเช็ดตัวแห้งแล้วตัวจะอุ่นใช่ไหมในหน้าหนาวมีความสุขเล้วใช่ไหมจากกลัวเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นมีความสุขแล้วนี่ยเราค่อยรู้ทันใจของเราไปนะหรือเราจะขึ้นรถนะคนสีราชาไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ถ้าคนกรุงเทพ ร, รู้สึกมากออกจากบ้านมาก็เจอคนเต็มถนนแล้วมีเพื่อนร่วมทางเยอะเลยดีใจไหม ไม่ดีใจหรอกนะหรือวันนี้ขับรถไปนะเจอแต่ไฟเขียวสดชื่นใช่ไหมวันนี้ขับรถไปที่ไหนเจอแต่ไฟแดงหมุนหงิดนะหรือเราขับรถอยู่กําลังไฟเขียวอยู่นะแล้วก็เจอไฟแดงถ้าเราเป็นคันแรกที่ติดไฟแดงเนะี่ยความรู้สึกจะไม่เหมือนกับคันที่20ไม่เหมือนกับคันที่ร้อยถ้าคันที่ร้อยติดไฟแดงจะรู้สึกเฉยเยรู้สึกมันควรจะติดอยู่แล้วล่ะกะว่าไม่พ้นอยู่แล้วเพรไม่คาดหวังว่าจะพ้นใช่ไหม มันติดไฟแดงก็เฉยเฉยถ้าเป็นคันแรกที่ติดไฟแดงนั้นโมโหที่สุดเลยหงุดหงิดเนี่ยการปฏิบัติทําให้มีอะไรมากนะรู้ทันใจของเราไปใจหงุดหงิดก็รู้นะใจเราดีใจใจเราเสียใจใจเราสุขใจเราทุกข์เราคอยรู้ทันใจของเราไปเรื่อยๆรู้ไปในชีวิตธรรมดานี่แหละลูกเล็กเด็ ก, ดกแดงก็ฝึกได้นะเด็กๆที่ไปวัดหลวงพ่อพ อ, พอนาเก่งๆเยอะแยะเลยบางคน8ดขวบเก้าขวบสิบขวบอะไรนี่พอนาจนพระยังกลัวเลย มานั่งฟังนะพระยังกลัวเด็กเลยนะสารภาพกับหลวงพ่อเลยว่ากลัวเลยเด็กบางคนถ้าเด็กนี่มันซื่อๆมันดูจิตดูใ จ, ใจตัวเองอย่างซื่อๆนะมีเด็กคนหนึ่งนะปวดตานะปวดตาถ้าเป็นพวกเราปวดตาเราคงกลุ้มใจตาเราเป็นอะไรไปแล้วอะไร่ากลุ้มใจคิดใหญ่ต้องรีบไปหามหมอต้องยังงอนต้องนี้กั ง, กลงวลขึ้นมาเด็กคนนี้เขาปวดตานะเขาเห็นตามันปวด เขาเห็นว่าร่างกายนะอยู่ส่วนหนึ่งลูกตาเนี่ยอยู่ส่วนหนึ่งนะความปวดเนี่ยอยู่อีกส่วนหนึ่งความปวดเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาในลูกตาแล้วใจของเขาเป็นคนดูใจของเขาไม่ปวดด้วยเนี่คยค่อยค่อยฝึกนะค่อยหัดรู้สึกกายรู้สึกใจไปต่อไปมันจะสามารถแยกเอาร่างกายกับจิตออกจากกันได้ถ้าเราดูกายบ่อยๆเราจะเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายเป็นวัตถุธาตุที่เคลื่อนไหวอ ย, อยู่ตลอดเวลาจิตของเราเป็นคนไปรู้เข้า ถาเราฝึกรู้จิตรู้ใจรู้ความรู้สึกของตัวเองไปบ่อยๆเราก็จะเห็นอีกความรู้สึกทั้งหลายแหล่นะจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วนะเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ผ่านไปจิตเป็นคนรู้เฉยๆนะจิตไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ดีไม่ได้ชั่วอะไรด้วยจิตเป็นคนดูนะดูทุกอย่างผ่านมาผ่านไปนะดูอย่างนี้ไปบ่อยๆถึงวันหนึ่งปัญญามันแก่รอบขึ้นมามันจะเห็นเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวเรา ถ้าตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีแล้วใครจะทุกข์ล่ะใครจะแก่ใครจะเจ็บใครจะตายร่างกายมันแก่ร่างกายมันเจ็บร่างกายมันตายไม่ใช่เราแก่ไม่ใช่เราเจ็บไม่ใช่เราตายเราไม่เดือดร้อนนะใครพลัดพรากจากสิ่งที่รักใครเจอสิ่งที่ไม่รักนะใครอยากแล้วไม่สมอยากคนทั้งหลายเกลาพลัดพรากจากสิ่งที่รักแล้วก็เป็นทุกข์เจอกับสิ่งที่ไม่รักแล้วก็เป็นทุกข์ อยากแล้วไม่สมอยากก็เป็นทุกข์ในโรงพยาบาลก็แสดงความทุกข์อันนี้ออกมาให้เราเห็นใช่ไหมอย่างมีคนตายไปใช่ไหมเขาพลัดพรากตัวคนที่จะตายก็พลัดพรากญาติญาติของคนจะตายก็พลัดพรากเขาก็มีความทุกข์ขึ้นมาหรือเจอสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจใช่ไหมเจอพยาบาลคนนี้ไม่ชอบพยาบาลคนนี้มือหนักดุนะเจอพยาบาลคนนี้ชอบนะคนนี้ยิ้มหวานมือเบาความจริงอาจจะมือหนักกว่าคนดูดุก็ได้นะแต่มันมีกำลังใจ เนะี่ยบางทีก็เจอสิ่งที่ไม่รักบางทีก็เจอสิ่งที่รักเนละเนี่ยใจมันจะวุ่นวายขึ้นมาพอพลัดรากอย่างสิ่งที่รักก็ทุกข์นะเจอในสิ่งที่ไม่ชอบก็ทุกข์เช่นมาอยู่โรงพยาบาลนะมาตรวจร่างกายประจำปีที่เจอมะเร็งเขาเห็นไหเจอสิ่งที่ไม่รักแนละ้วทุกขนะ์แล้วนั้นความทุกข์นะทางใจเราเนี่เกิดตลอดเวลาเลยให้เรามีสติรู้ทันใจของเราไป ต่อไปเราจะมีความสุขอยู่ได้ในทุกๆสถานการณ์ถ้าเรามีปัญญาพอนะเราหัดดูใจของเราทุกวันทุกวันเราจะเห็นได้ความสุขก็เป็นสิ่งชั่วคราวพาะความสุขที่เกิดขึ้นกับใจเราก็อยู่ชั่วคราวความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจก็อยู่ชั่วคราวนะอะไรอะไรก็ชั่วคราวหมดเลยนะจะดีหรือจะชั่วจะโลภจะโกรธจะหลงก็เป็นของชั่วคราวทั้งหมดถ้าผู้ใดสามารถมีสติคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อย ถึงวันหนึ่งจะเห็นว่าความรู้สึกทุกชนิดนั้นเป็นของชั่วคราวถ้ารู้สึกอย่างนี้ได้นะต่อไปเวลาความสุขเกิดขึ้นเราจะไม่หลงระเริงและเรารู้ว่าชั่วคราวเวลาความทุกข์เกิดขึ้นนะเราจะไม่ทุรนทุรายเรารู้ว่าเป็นของชั่วคราวเห็นไม้มพอเรารู้ความจริงพอจิตใจเรายอมรับความจริงว่าธรรมดามันเป็นอย่างนี้แหละธรรมดาก็คือทุกสิ่งที่ผ่านมาล้วนแต่ผ่านไปทั้งสิ้นความสุขก็อยู่ชั่วคราวนะต้องหมดไปในวันหนึ่ง ความทุกข์ก็ไม่ใช่มันจะทุกข์ตลอดเวลาถึงวันหนึ่งมันก็ผ่านไปทุกสิ่งผ่านไปหมดเลยถ้าใจยอมรับความจริงตรงนี้ได้เราก็จะไม่หวั่นไหวไม่กระเพื่อมเวลาความสุขมาไม่หลงระเริงความทุกข์มาไม่ทุรนทุรายจะสามารถรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมีชีวิตที่เรียบง่ายมีชีวิตที่เบาที่สบายเพราะฉะนั้นฝึกนะพวกเราค่อยๆฝึกแค่แรกรู้สึกตัวบ่อยๆอย่าลืมตัวเองแล้วก็ค่อยรู้สึกไปรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจ แต่ระาวาังอันเดียวอย่าไปเพ่งอยู่ที่กายที่ใจอย่าไปจ้องใส่มันนะถ้าเราคอยจ้องอยู่ที่กายที่ใจาามากๆจะเครียดขึ้นมาคนที่ไปภาวนาแล้วเป็นบ้านะมีเยอะแยะเลยเพราะอะไรเพราะทําผิดพระพุทธเจ้าสอนให้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงให้เราเป็นแค่คนดูพวกที่ภาวนาแล้วเครียดภาวนาแล้วบ้าเนี่ยมุ่งบังคับกายบังคับใจภาวนาแบบเก็บกดนะเครียดมากนะกวดไปเรื่อยๆเครียดจนทนไม่ไหวสติแตกบ้าไปเลยนะ บางคนก็หิ้วกันกระตรงกระเตงมาหาหลวงพ่อนะจริงควรจะมาโรงพยาบาลนะมาหาจิตแพทย์นักหัดรู้สึกตัวนะรู้สึกสบายๆเห็นร่างกายมันทํางานไปเห็นจิตใจมันทํางานเราเป็นแค่คนดูเราอย่าไปแทรกแซงอย่าไปบังคับอย่าไปกดข่มอย่างเวลาบางคนนะคิดถึงการปฏิบัตินะจะบังคับตัวเองตลอดเวลานะเช่นจะเดินนะต้องกําหนดยกเท้าย่างเท้าอะไรก็ไม่รู้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเลยนะกำหนดไปเรื่อยๆแล้วเครียดนะ หรือจิตใจก็ Glenn? จะบังคับให้มันนิ่งอยู่อย่างเดียวห้ามมันกระดุกกระดิกห้ามมันเคลื่อนไหวทั้งๆ ท, ที่จิตใจเป็นของไม่เที่ยงเราพยายามจะให้มันนิ่งค ง, งที่ตลอดเวลาเราก็เครียดสิ <leva> พยายามทําอะไรที่ฝืนธรรมดาฝืนธรร ม, มะฝืนธรรมชาติธรมธรมชาติธรรมชาติคือทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะทุกอย่างมันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาแตทุกอย่างนี้ยบังคับมันไม่ได้จริงหรอกนี่เราพยายามจะบังคับมันพยายามจะให้มันดีพยายามจะให้มันสุขพยายามจะให้มันอยู่ถาวร มีความสุขถาวรจะให้ดีถาวรไม่มีหรอกถาวรไม่มีในโลกนี้นะมีทุกอย่างชั่วคราวหมดเลยดงั้นคนใดที่สามารถยอมรับความจริงได้ว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวความทุกข์จะตกหายไปเกินครึ่งนะวันนี้เรียนเท่านี้ก็พอแล้วนะเรียนแค่ความทุกข์หายไปสักครึ่งหนึ่งหัดเอานะฟังอย่างเดียวไม่หายหรอกต้องหัดรู้เอาอย่าใจลอยไม่ใจลอยล้วก็ไม่นั่งบังคับตัวเอง คอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจดูกายทํางานดูใจทํางานเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งจะได้ดีนะคนที่ภาวนานกับหลวงพ่อตอนนี้ชีวิตจิตใจเปลี่ยนแปลงเนี่ยเยอะมากเลยบางคนมีความทุกข์เยอะแยะในชีวิตนะพอมาหัดเจริญสติหัดรู้ทันตัวเองรู้ทันกายรู้ทันใจรู้สบายๆไม่ได้หัดบังคับเดือนสองเดือนเนี่ยเขาเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองแล้วถ้าฝึกจริงๆนะเดือนหนึ่งก็เห็นความเปลี่ยนแปลง เคยทุกข์หนักๆก็เหลือทุกข์น้อยๆนะเคยทุกข์นานๆก็เหลือทุกข์นิดเดียวสั้นนิดเดียวความทุกข์ผ่านมาพอแค่รู้สึกมันก็หายไปแล้วอนี่ความทุกข์ทางใจนะความทุกข์ในร่างกายต้องมาปรึกษาหมอนั่นแหลนะหมอก็ทุกข์นะนั่งสารเหมือนกันอพอสมควรพอไหมให้บวชเพราะครับมีมีคนที่จะส่งกันบ้านอยู่ครับเช่น <c oughs> ครับก็ขอท่านแรกเลยครับส่งกันบ้าน ออครับกับนวัสการครับก็หลวงพ่อเคยบอกว่ามันชอบอส่งออกนอกครับตอนนี้ก็พยายามดูอยู่มันก็ยังออกนอกอยู่แต่ก็คิดว่ามันก็เริ่มเข้ามาบ้างแล้วดีนะแค่รู้อย่าไปบังคับมันอย่าไปดึงเข้าข้างในถ้าเรากลัวออกนอกแล้วเราดึงเข้าข้างในเราจะเครียดการภาวนานะถ้าเมื่อไหร่เกิดความเครียดขึ้นแม้แต่นิดเดียวนะทำผิดและทําผิดแล้วห้ามขยันนะ ตอนนี้คุณหมอกดตัวเองอยู่ดื้อไหมเกิดอยู่นะต้องปล่อยรู้เล่นๆไปคนที่หนึ่งก็ตื่นเต้นเยอะหน่อยครับุณครับกาบนะมัศการค่ะคนที่สองก็ตื่นเต้นพอกันค่ะก็นั่งตามสบายนะใครจะนั่งขัดะมาดอะไรก็ชวนนะทั้งห้องกหลวงพ่อไม่ว่านะนั่งตามสบายนั่งนั่งแบบหลวงพ่อคูณก็ไม่ว่านะ ธรรมะไม่ได้อยู่ที่ท่านั่งหรอกธรรมะอยู่ที่มีสติอเอาว่าไปคือตอนนี้ที่ดูจิตประจําวันมันก็ยังมีเสียงภาคอยู่ในหัวอยู่ค่ะเป็นเคยชินที่จะคิดไม่ว่ามันค่ะแล้วก็ อ, อยากจะเรียนถามค่ะว่าคือตอนนี้ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าว่ามันพอที่จะแยกกายกับแยกใจออกมาได้บ้างแล้วพอแยกได้บ้างนะพอแยกได้แต่อย่าไปดึงไว้นะอย่าไปดึงให้แยก มันแยกของมันเองใช้ได้ใช้ได้อยู่ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้หลงรู้สึกัหมรู้สึกค่ะและ้วก็คือของหนูนี่คือบางทีจะรู้สึกว่าต้องใช้สมถะนำนิดนึงคือเวลาจะนั่งจะดูก่อนจะดูจิตนี่ต้องมองพระพุทธรูปก่อนพอจิตนิ่งแล้วดูตามอย่างนี้พอจะได้ไหมคะไม่ต้องทำอะไรที่ยุ่งยากขนาดนั้นนะ เกิดเราเกิดอุบิเหตุขึ้นดูพระพุทธรูปไม่ทันเราจะทํำยังไงดังนั้เราต้องฝึกให้ได้นะฝึกให้ได้หลวงพ่อตอนก่อนตอนหัดภาวนาใหม่ๆเราเห็นนีจิตบางทีก็เข้าไปเกาะอารมณ์นะบางทีก็แยกออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูหลวงพ่อพยายามฝึกนะว่าในเวลาสองวินาทีเนี่ยจะต้องหลุดออกมาให้ได้เกิดลดกว่อมเนี่ยสองวินาทีเนี่ยจะตายละพอไหวไหมปรากฏว่าไม่ได้ต้องไปนั่งดูพระพุทธรูปนะ แล้วอย่างของหนูนี่เหมาะที่จะดูต้องดูกายไปดูกายเพราะของคุณน่ะติดสมาธิติดสมาธิอยู่นะสมาธิมันยังนำอยู่ใจมันนิ่งนิ่งถ้าใจมันนิ่งๆิ่งเนียให้คอยรู้ดกายเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าใจของเราเป็นแค่คนดูคืออย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวมันจะเห็นจิตเองไม่ใช่ทุกคนจะต้องเริ่มปฏิบัติด้วยการดูจิตนะ การดูจิตไม่ใช่วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไม่มีวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดมีแต่ว่าวิธีไหนเหมาะกับเราต่างหากแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างตอนนี้หนีทีิคิดแล้วรู้สึกไหมเน่จใจใมันลอยไปขอคุณรู้สึกที่ไกลมากๆขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะอย่าทิง้งร่างกายไปดูจิตมากไปแล้วจะถลําเข้าไปภายในค่ะขอบพระคุณค่ะคนนี้กลัวไหมตื่นเต้นไหมค่ะ้ค่ะ นวัต ก, การเจ้าค่ะหลวงพ่อ อ, อได้ปฏิบัติมาประมาณหลายปีแล้วแล้วก็เมื่อสามปีที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าเวลาโยมคิดแล้วก็ไปดึงกลับมาบอกว่าไม่ให้ดึงโยมก็ปล่อยๆทีนี้ก็ฟังสีดีหลวงพ่อแล้วก็ฝึกตามนั้นหลังจากนั้นเมื่อปีที่แล้วก็รู้สึกว่าไปติดว่างอยู่ค่ะหลวงพ่อนึกว่าตรงนั้นเป็นจิตแล้วก็ว่างอยู่อย่างนั้นมาปีนึงเพิ่งจะมารู้สึกตัวตอนนี้ก็ปล่อยดีอย่าไปเอาความว่าง พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ดูความว่างนะพระพุทธเจ้าสอนให้รู้กายรู้ใจเาะนั้นเราคอยรู้สึกอยู่ที่กายคอยรู้สึกอยู่ที่ใจเราไม่เคยเห็นความว่างเป็นตัวเราอยู่แล้วแต่กายกับใจนี่ยเรารู้สึกเป็นตัวเราเพราะฉั้นความรู้สึกเป็นตัวเราอยู่ที่ไหนเราก็รู้ลงที่นั้นคอยรู้สึกกายรู้สึกใจอย่างตะกี้เนี่ยกาลังถลําลงไปดูแล้วรู้สึกไหมเจ้าค่ะจิตกระโจนลงไปนะให้เรารู้ทันว่าจิตกระโดดลงไปแล้วจิตมันจะถอยขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเอง เจ้าค่ะแล้วโยมต้องอติดนิ่งไปไหมเจ้าค่บขนาดนี้นิ่งเกินไปแต่ขนาดนี้มันเออเร่อนะมันผิดธรรมชาติกลัวหลวงพ่อมันเลยนิ่งเจ้าค่ะกลัวเห็นไหมตัวจริงไม่นิ่งเห็นเริ่มเคลื่อนนะดูออกไหมเจ้าค่ะเยราปล่อยให้มันเคลื่อนแล้วเราตามดูไปเราถึงจะเห็นแต่ของไม่เที่ยงไม่ได้ฝึกให้เที่ยงนะไม่ติดสมาธิใช่ไหมคะไม่มากอ่ะนะไม่มากคนนี้ติดแรงกว่า ของคุณอย่าน้อมใจให้ซึมนะอย่าให้ใจมันซึมซึมนิ่งๆใจที่ซึมซึมใจที่นิ่งๆเนี่ยไม่เหมาะกับการทำวิปัสสนาจิตใจของคนธรรมดาธรรมดานะเหมาะกับการทำวิปัสสนาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเร็วเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวหดหูยิ่งเปลี่ยนเร็วยิ่งดีงงไห ม, ไมเออให้รู้ทันตัวเองว่ากําลังงงเย่างนั้ รู้สึกไหมตรงที่รู้ทันเนี่ยใจมันคลายออกรู้รสึกไหมเนี่ยเราต้องหัดดูสภาวะเงี้ยดูสภาวะจริงๆที่กําลังปรากฏพารู้ปั๊บนี่มันจะคลายออกเองเลย <tasting S 1> แใจเมื่อกี้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาแวบหนึ่ Real ง, ง, <S <S ง, งรู้สึกไหมตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้กลับไปเพ่งไว้อีกแล้วงงรู้ลงปัจจุบันเป็นงงรู้ว่างงรู้สึกไหมใจตะกี้นี่ที่หลวงพ่อ ว, ว่าดีกับตอนเนี้ไม่เหมือนกันตอนนี้มันนิ่งนิ่งดูออกไหมเนี่เราติดสมถนะนั่นงใจก็เลยนิ่งอยู่ แอบไปคิดแล้วรู้สึกไหมยังกดอยู่นะค่อยๆไปดูดูความรู้สึกที่เป็นปัจจุบันถ้าดูได้จิตก็จะหลุดออกมาคนโน้นหลงไปละค่ะวงพ่อคำถามสุดท้ายเจ้าค่ะตอนนี้แบบโยมรู้ตัวถูกต้องบ้างแล้วยังค่ะถูกซิรู้สึกไปแต่ไม่ถูกตลอดนะต้องรู้บ้างหรือบ้างนะถ้าใครบอกรู้ตัวทั้งวันเนี่ยแสดงว่าเพ่งน้อยไม่รู้จริงห อ, อก เพราะว่าโดยภูมิจิตภูมิธรรมของเราจะรู้สึกตัวตลอดเวลาไม่ได้เราไม่ใช่พระอราหันต์ต้องรู้บ้างเผลอบ้างอย่าให้เผลอนานเผลอนานา น, าน่าเกลียดะนะกราบนมสัสการหลวงพ่อครับก็เริ่มฟังซีดีแล้วก็ปฏิบัติตามที่แนวทางที่หลวงพ่อได้แนะนำมาประมาณ4เดือนครับก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของของตัวเองมากขึ้นนะครับก็ตอนนี้รู้สึกว่าจิตอยู่นอกฐานครับใช่ครับ แล้วก็เห็นกิเลสบ่อยขึ้นครับบ่อยขึ้นโดยเฉพาะยิ่งตัวหลงครับหลงบ่อยรู้สึกไหมร่างกายมันเริ่มอยู่ห่างๆออกไปรู้สึกครับใช่ไรู้สึกไหมความทุกข์ความสุขทั้งหลายมันอยู่ห่างๆออกไปครับนะกิเลสก็อยู่ห่างๆออกไปครับถึงวันหนึ่งมันก็หลุดออกจากกันนะไม่เข้าไปสัมผัสกันครับอยู่ที่เรารู้ทันมันไปเรื่อยๆที่คุณฝึกอยู่ถูกต้องแล้วนะครับ อ, อีกขอบพระคุณครับแต่ตอนนี้ประคองไว้หน่อยอาเชิญ คือเผลอเพ่งประจําเลยอะค่ะเผลอไปเพ่งเคยชินอะเคยชินที่จะเพ่งห้ามมันไม่ได้จิตมีธรรมชาติไหลไปตามความเคยชินถ้ามันจะเพ่งก็แค่รัวมันเพ่งไปแต่ถ้ามันเพ่งไม่เลิกนะลืมไปเลยลืมคําว่าปฏิบัติซะเราใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดานี่แหละพอลืมก็สึกมันจะลืมยาวอะค่ะเหรอลืมยาวไปก่อนไม่เป็นไรคนในโลกนะ เผลอน้อยนะเผลอวันละครั้งแต่เผลอตั้งแต่ตื่นจนหลับนะนบปฏิบัติจะเผลอแวบแวบแวบในะวันหนึ่งนับไม่ถ้วนเลยนะแล้วไงอีกและเกือบเกือบพอใช้ได้หรื อ, อยังบังคับตัวเองอยู่มันจะใช้ได้อย่างไงจะให้หลวงพ่อชมหรือ <c oughs> ไม่มีคาแนะนําอะไรอย่างไรค่ะอย่าบังคับตัวเองสินะเรียนรู้ตัวเองลองวางความรู้สึกใหม่วางใจเราใหม่ การปฏิบัติธรรมไม่ใช่การฝึกบังคับตัวเองการปฏิบัติธรรมคือการเรียนรู้ตัวเองนะเราคอยแค่ดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานจิตที่มันเข้ามานิ่งอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยนะให้คอยดูกายไว้เห็นไหมร่างกายพยักหน้าเนี่ยดูไปงี้เรื่อยๆนะเห็นไหมร่างกายมันหายใจออกหายใจเข้าดูร่างกายมันทำงานเรื่อยๆนะจิตอยู่ต่างห่างเียมันจะคลายจากการเพ่งนิ่งๆมาเป็นการเดินปัญญาได้ เนี่ยพอพอเผลอก็คือพอมาก็มาหายใจเข้าหายใจออกมันก็มาเพ่งอีก เ, ออเรากลัวเผลอเราก็เลยกลับมาเพ่งไว้มันมีสามสเต็ปอันที่หนึ่งเผลอไปอันที่สองรู้ว่าเผลออันที่สามเกลัวเผลออีกเลยเพ่งไว้ห้ามไม่ได้พราจิตเราเคยชินอย่างนั้นห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้ก็ไม่ห้ามมันพยายามกระดุกกระดิกไว้นะแล้วก็ดูร่างกายทํางานไว้เรื่อยๆดูกายไปดูกายให้มากๆอ้าเชิญคนต่อไปมีกี่คนเราเตรียมไว้ 20่ชั่วเรได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะแล้วนั่งข้างนี้กันหมดเลยเหรอรหลวงพ่อต้องเปลี่ยนท่านั่งแล้ว <c oughs> ไม่งั้นเดี๋ยวหมอต้องหาอะไรมาดามคอแราอ้ <c oughs> อวว่าไปค ร, บราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเออโยมมีอะไรต้องแก้ไขไ้มเจ้าค่ะอย่ากลัวสินะใจเราแย่ๆย่ให้มาเราก็รู้ทันรูนะ้โลกปัจจุบันไปไม่ต้องแก้คำว่าแก้เนี่ยเป็นเรื่องของการทำสมถะกรรมฐาน เช่นจิตไม่ดีทําให้ดีนะจิตไม่สุขทําให้สุขจิตไม่สงบหาทางทําให้สงบวิปัสสนากรรมฐานจะไม่มีการแก้มีแต่ว่าตอนนี้มันเป็นยังไงก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะที่คุณฝึกอยู่พอใช้ได้นะใจมันก็เริ่มถอยออกมาเป็นคนรู้แนละ้วดูออกไหมเจ้าค่ะมันเปลี่ยนแล้วดีเจ้าค่ะแล้วเวลานั่งสมาธิเนี่ย ม, มักจะไปคือความติดไปติดอยู่ที่ลมหายใจอะเจ้าค่ะเรารู้ทันว่าจิตไหลไปอยู่ที่ลม เวลาจิตหลงไปคิดเรารู้ทันว่าจิตหนีไปคิดนะให้คอยรู้ทันจิตไป อ, อ้าวเชิญเจ้าค่ะแล้วถ้าขอกันบ้านและเจ้าค่ะแค่นั้นก็เยอะแล้วมีสติรู้กายรู้ใจได้ทํากันได้ทั้งชาติเลยเจนะ้าค่ะการบ้านอันนี้ทําเสร็จเมื่อไหร่ก็เป็นพระละหันเมื่อนั้นกลาวนมสัส ก, การเจ้าค่อะอ้อาวเชิญทำแลนมสัส ก, การค่ะอะ ปฏิบัติมาสักพักแล้วนะคะช่วงช่วงก่อนหน้านี้ก็รู้สึกพยายามแต่ว่ามาช่วงหลังๆรู้สึกว่าไม่ได้ทําอะไรอะคะ่ะเลยไม่แน่ใจว่าที่เราไม่ได้ท <ำ S 2> <ม>ําอะไรไม่ขนาดนี้จิตเราหลงไปคิดค่ะเราก็รู้ทันว่าจิตเราหลงไปคิดนะค่ะแล้วไงอีกหนูไม่แน่ใจว่าที่รู้สึกว่าไม่ได้ทําอะไรคือมีชีวิตทุกๆวันเนี่ยมันมันเหมือนไม่ได้พยายามเลยไม่แน่ใจว่าเราประมาทไปหรือเราเราพยายามรู้สึกไปนะย่งไม่ทําอะไรเลยไม่ได้เรา คปดูเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวคอยรู้สึกเรื่อยๆรู้นะสึกไปเรื่อยแต่เป็นสติมันจะเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นเป็นเนพราะสติอ่อนใช่สติทำยังไงสติจะเกิดบ่อยต้องหัดดูสภาวะบ่อยๆเช่นดูร่างกายนี่หายใจเข้าหายใจออกดูไปเรื่อยๆให้ดูกายเรื่อยๆใช่ค่ะยังดูใจไม่ไหวดูกายไปก่อนนะเห็นไหมร่างกายพนะ ย, ยักหน้าดูเพียงนี้ ต่อไปนมสสกัตการหลวงพ่อค่ะพอดีก็เพิ่งฝึกมาสักระยะหนึ่งอะค่ะแล้วก็ฝึกปฏิบัติแบบในรูปแบบด้วยแล้วก็ดูแบบของพระอาจารย์ด้วยนะะก็เลยอยากรู้ว่าที่ทํามาพอจะอยา่าไปกําหนดก็แล้วกันนะเพ่งเกินไปไหมคะอะไรนะเพ่งเกินไปเกินไปนิดหน่อยให้สบายกว่านี้อีกนิด น, น, ะ, <ม>นะการภาวนาในรูปแบบเนี่ยไม่ใช่การบางังคับตัวเองนะ ไม่ใช่การไปกําหนดจุดจ้องอะไรภาวนาแบบไหนในรูปแบบก็นั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมค่ะเวลาเดินจงกรมนะ mm hmm. ก็เห็นร่างกายมันเดินไปเรื่อยๆใจเราเป็นคนดูฝึกแบบนี้นะเห็นร่างกายมันเดินใจเราเป็นคนดูเดินไปเดินไปใจแอบไปคิดรู้ว่าใจแอบไปคิดสรุปแล้วก็คือเดินรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆดูเล่นๆ น, นะฝึกเล่นๆไปต่อไปสติจะเร็วสติเกิดเองที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะ ใช้ได้แล้วใจสบายขึ้นเยอะเลยกับน้มัสการค่ะหนูปฏิบัติมาสักระยะหนึ่งอะค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าที่หนูบางครั้งออพยายามกําหนดลู้กายแล้วก็บางครั้งก็ออมาดูพยายามดูความคิดของตัวเองไม่แน่ใจว่าที่หนูทําถูกหรือเปล่าอย่าจงใจนะถ้า<ด>ตอนนี้<ด>จงใจดูกายตอนนี้จงใจดูความคิดอันนี้ยไม่ใช่สติที่แท้จริงจงใจไม่ได้เมื่อไหร่ ความเคลื่อนไหวทางกายมันเด่นชัดสติจะไปรู้เองเมื่อไรความรู้สึกทางใจเด่นชัดสติจะไปรู้เองมันรู้เองไม่จงใจนะรู้เล่ น, เ, ลนเห็นไหมคนไข้แต่ละคนเนี่ยพอเราเห็นแล้วเรามีความรู้สึกไม่เหมือนกันรู้สึกไหมเราเห็นคนนี้เราก็ไม่ชอบหน้าเห็นไหมเห็นคนนี้สงสารเห็นไหมเห็นคนนี้ชอบเนี่ให้แค่เราคอยรู้ทันความรู้สึกของเราไป ถ้าตอนไหนรู้ความรู้สึกไม่ได้เราก็เห็นร่างกายเราเดินไปเดินมาเป็นพยาบาลไม่ค่อยได้นั่งกับที่เท่าไหร่เคลื่อนไหวไปมาเนี่ยเราก็เห็นร่างกายมันเดินคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไม่ใช่ว่าเอาล้ต่อไปนี้จะรู้สึกกายแล้วรู้สึกแต่กายอย่างเดียวต่อไปนี้จะดูแต่ใจเขาดูแต่ใจอย่างเดียวไม่ได้นะให้มันเป็นธรรมชาติฝึกนะฝึกมนาะ ก, การนรมารการของพ่อค่ะคือบางครั้งเวลาที่เราเราหาดฝึกเนี่ยแต่พอพอ ม, มีบางช่วงที่มันจะมีสิ่งที่มันมกระตุ้นให้ใจเราแบบว่าจืดขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วพ อ, พอผ่านช่วงเวลานั้นไปเราจะรู้ว่าที่ที่เราผ่านไปที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแบบนี้เราไปกดจิตเราหรือเปล่าค่ะือไม่กดสิมันจืดขึ้นมาได้ก็ไม่ได้กดแหละแต่เราจะรู้ตัวว่าที่ที่ผ่านมามัน มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะไรไมนไ่นั่นคิดเอาเองละอย่าไปคิดเอานะมันเป็นอดีตไปหมดแล้วงั้นแค่โมโหคนนี้พุง่งรวดขึ้นมาเราเห็นจิตมันโมโหขึ้นมาแค่นี้ก็พอละนะไม่ต้องไปคิดทบทว น, นอะไรนั่นดีอันนี้นไม่ดีไอ้นั้นเป็นวิชาที่จะอยู่กับโลกนะความประพฤติอย่างนี้ไม่ดีทีหลังเราไม่ทําอีกแต่ไม่ใช่วิปัสนาวิปัสนาคือการรู้สภาวะแท้ๆ ท, ที่เกิดขึ้นอ่าว่าไปการธรรมทานลองพ่อครับ อตอนนี้เห็นจิตใจที่ลงพวังแล้วก็ขึ้นมาแกงครับแล้วก็ปัจจุบันก็ดูสภาวะธรรมที่จิตใจได้เห็นแล้วก็ปัจจุบันก็เห็นจิตใจตัวเองแบบเหมือนกับว่ามีมานะเวลาเห็นคนอื่นมีกิเลสครับก็รู้ทันตัวเองมากขึ้นครับดีสิ<ต>การปฏิบัติจะหารูตัวเอง แต่ก็บางครั้งคือเหมือนกับว่าอยากให้บุคคลรอบข้างของเราเนี่ยคือได้เห็นอย่างนั้นมากแต่ก็ไม่ทราบว่าอยากจะทํามหลเพราะว่าผมพอจะมีคุณธรรมพอที่จะช่วยคนรอบข้างได้บ้างตามกําลังหรือปะครับวิธีช่วยคนรอบๆตัวเรานะคือพัฒนาตัวเราเองให้เขาเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีเดี๋ยวเขาอยากปฏิบัติเองอะถ้าเรายังเครียดอยู่ตลอดเวลาแล้วเราบอกว่าพาวนาแล้วดีนะอะไรเงี้ยเขาจะไม่เชื่อ หรือถ้าเราภาวนานแล้วเราก็เห็นว่าเราดีอยู่คนเดียวคนอื่<ๆ>นเลวหมดเงี้ยเขาก็ไม่เชื่อนะนั้นเราต้องมีความเปลี่ยนแปลงให้เขาเห็นมีความร่มเย็นเป็นสุขเขามาอยู่ใกล้เราแล้วมีความสุขอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาอยากภาวนานเองอ่นะครับปัจจุบันก็ดูเราก็ดูของเราแล้วก็ของคุณยังดูแบบเครียดเกินไปนะจงใจแรงไปครนะให้เป็นธรรมชาติมากกว่านี้ดูไปสบายๆดูกายมันทํางานดูใจมันทํางานดูไปเรื่อยๆนะ ไปกดแรงไปครับนมาสการค่ะว่าไปช่วงที่ฟังหลวงพ่อพยายามหันทางนี้บ้างพรหลวงพ่อถ้าหันทางเดียวนานๆนะมันจะไม่ยอมหันกลับเอว่าไปเดี๋ยวเราฟังด้วยหูช่วงที่ฟังหลวงพ่อเทศอยู่ก็ดูลมไปค่ะแล้วก็รู้สึกง่วงทีนี้สักพักมันก็หายไปแล้วก็ขึ้นมาใหม่พอหลวงพ่อเทศเสร็จก็รู้สึกตื่นเต้นอืมดูความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงนั่นแหละนะ จริงๆกรารพาวนาไม่ยากนะที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังตะเกียดดูได้ก็แต่ตื่นนะคื อ, อ, อถ้าเกิดจะดูลมเป็นเครื่องอยู่จะได้ไหมคะอย่าให้ใจเคลิม้มของคุณเวลาดูลมใจมันนิ่งไป<อ>วางไมลลงแล้วดูให้หลวงพ่อดูซิดูสบายๆนะแข็งไปนิดนึงรู้สึกไหมหรือว่ามันตื่นเต้นมันตื่นเต้นค่ะเออมันมันมันไม่เป็นธรรมชาติ แ, แต่ว่าพอใช้ได้อยู่ เพราะว่าเวลาดูแลไม่น้อมจิตให้นิ่งดูลมไปนะเห็นร่างกายมันหายใจเราเป็นคนดูไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช้ได้นะหรือว่าจะใช้ดูกายดีกว่าไหมคะดูลมก็ได้ดูกายก็ได้นะไม่มีปัญหาอะไรหรอกขอบคุณค่ะเดี๋ยว mm hmm. คนที่เพิ่งส่งกันบ้านเสร็จเมื่อกี้จิตเป็นยังไงพอส่งใหม่แล้วลืมตัวเองแล้วรู้สึกไหมรู้สึกไหมจิตขณะนี้ปลอดโปร่งกว่าตอนที่ถือไมล์อยู่ ในจิตที่ธรรมดาอย่างนี้ดีนะดีนั้นรู้สึกไปธรรมดาอย่างนี้แหละในมรสการหลวงพ่อคะ่ะเตัวเองรู้สึกว่าเผลอบ่อยอะคะ่ะจะต้องแก้ไขปรับปรุงอย่างไรคะแก้อีกคนหนึ่งแล้วนะ <c oughs> ไม่แก่นะเผลอให้รู้ว่าเผลอยิ่งเผลอบ่อยยิ่งดีที่บอกว่าเผลอบ่อยน่ะดีอย่าเผลอนานเผลอบ่อยหรือเผลอนานบ่อยค่ะเพราบ่อยดีนะเผลอนานไม่ดีเผลอบ่อยก็คือสติเกิดบ่อย พอไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกง่ายใช้ได้กราบนะวสกาหลวงพ่อค่ะคือขณะนี้คือที่ภาวนาอยู่ประมาณเดือนหนึ่งที่ผ่านมาค่ะหลวงพ่อรู้สึกว่าสติจะเกิดบ่อยในขณะที่เดินค่ะหลวงพ่อถ้าถนัดเดินเราก็เดินสิยังมีแรงเดินก็เดินไปแล้วก็จะเรียนถามหลวงพ่อว่าวการภาวนาขณะเนี้ค่ะยังอยู่ในร่องในร้อยเปล่าครับอยู่นะอยู่ยังยั ง, ยงกดยังเพ่งอยู่านี้ค่ะกดนิดหน่อยค่ะก็เห็นอยู่แล้วถามทําไม คือจะจะดูอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะหลวงพ่อไม่อะไรปรากฏขึ้นปัจจุบันรู้ว่านั้นแหละน้ำรศการหลวงพ่อนะคะคือหนูก็ขนาดนี้จิตเป็นยังไงดูออกไหมตื่นเต้นตื่นเต้นเก่งเก่งแล้วไงอีกก็คือว่าได้เข้าปฏิบัติอย่างเงี้ยรู้จักมาประมาณหนึ่งปีนะคะแต่ก็ไม่ทราบว่าตัวเองทำถูกหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะเห็นกิเลสหมล่ะ เเหห็นนนมือกัถ้าเห็นกิเลสได้เรื่อยๆนะแสดงว่าภาวนาดีการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ภาวนาแล้วมีแต่ความสุขความสงบอะไรย่างนี้นะยิ่งภาวนาแล้วยิ่งเห็นกิเลสที่เกิดขึ้นมาแว บ, บแว บ, บแว บ, บ, บ, บได้ยิ่งดีที่สุดเลยแสดงว่าเราไม่ได้เก็บกดคนที่ภาวนาแล้วไม่เห็นกิเลสเลยนะก็คือไปเพ่งให้จิตนิ่งไม่ดีเลยนะแล้วอย่าง ว, วิธีการนั่งสมาธิอะค่ะเคยนั่งแล้ว เ, เคยเข้าคอร์สปฏิบัติหลายคอร์สนะคะเขาก็สอนให้ดูการพองยุบอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาตัวเองดูเนี่ยคือหมือนเหมือนกับไปสั่งอะไรเงี้ยค่ะก็คือไม่ได้รู้สึกเองนั่นไม่ใช่ทั้งสมถะไม่ใช่ทางวิปัสนาแล้วควรจะทํายังไงคะดูร่างกายมันพองดูร่างกายมันยุบใจเราเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าใจเราเป็นคนดูเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูดูอย่างสบายสบาย นะอย่างตรงนี้ไม่ได้นะไปรวบจิตเข้ามารู้สึกไห ม, มไปเก็บเอาจิตรวบเข้ามาอย่างเงี้ยใช้ไม่ไดนะ้อย่างนี้เก็บกดนะงั้นรู้สึกสบายๆรู้สึกด้วยความผ่อนคลายรู้อย่างผ่อนคลายถึงจะใช้ได้<ม>อย่างตอนนี้จิตหนีไปคิดทราบไหมทรบนะาบค่ะจิตนี้ไปคิดรู้เฉยๆนี่แอบไปคิดซ้ําอีกแล้วรู้สึกไหมนะทาเป็นทราบๆนะคิดไม่เลิกเลยเนะนี่ยรู้ลองปัจจุบันรู้สึกไหมจิตขนานี้ไม่เหมือนตะกี้ ตรงนี้เราไปกดเบรกแล้วตรงที่หัวร้อนตะกี้นั่นแหะจิตเป็นธรรมชาติที่สุดเลยะนะอย่างนี้ก็คือถ้าจะปฏิบัติธรรมคือไม่อ่านเราอาจจะไม่จําเป็นต้องไปเข้าคอร์สก็ได้ใช่ไหมคะไม่จำเป็นเลยฝึกด้วยตนเองก็ได้อยู่ที่ไหนต้องทําที่นั่ น, น <ะ S 2> เพระพุทธเจ้าไม่เคยจัดคอร์สนะเคยรู้สึกไหม <c oughs> มีคนมาถามหลวงพ่อเมื่อไหร่จะจัดคอร์สบอกเออพระพุทธเจ้ายังไม่เคยจัดเลยให้เราจัดได้ไง <c oughs> เราจะเก่งกว่าท่านหรือ ทำไมหลวงพ่อไม่จัดคอร์สรู้ไหมจริตนิสัยคนแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนต้องดูกายบางคนต้องดูจิตเราจะมาบังคับทุกคนให้ทําเหมือนกันไม่ได้บางคนถนัดภาวนากลางคืนบางคนถนัดกลางวันเราจะบังคับให้ทุ s <S <c oughs> ทกคนทํากลางวันไม่ได้บางคนต้องกินข้าวมากมาก่อนแล้วก็ภาวนาบางคนต้องอดข้าวแล้วภาวนาเราบังคับทุกคนกินข้าวเหมือนกั น, <c oughs> นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นกรรมฐานเนี่ยนะมันอ่อนตัวมากเลย flexible มากเลยย่าไปบังคับมาก เลยไม่จัดคอร์นะทางใครทางมันใครถนัดรู้กายรู้ไปใครถนัดรู้ใจก็รู้ไปถ้ารู้ถูกต้องสติเหมือนกันเลยเกิดขึ้นสัมมาสมาธิเหมือนกันปัญญาเหมือนกันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่มีกรรมฐานอะไรที่ดีกว่ากรรมฐานอะไรกรรมฐานใดที่ทำแล้วมีสติที่แท้จริงมีสัมมาสมาธิที่แท้จริงก็ใช้ได้ทั้งสิ้นกรรมฐานใดไม่มีสติที่แท้จริงนะใช้ไม่ได้หรือไม่ไ ม, ไม่มีสัมมาสมาธิใช้ไม่ได้ สติที่แท้จริงแปลว่าอะไรสติแปลว่าความระลึกได้ถ้าเราคิดว่าสติแปลว่ากําหนดเนี่ยผิดแล้วละ่ะสติคือความระลึกได้นะเช่นความโกรธเกิดขึ้นสติระลึกได้ว่าตอนนี้โกรธแล้วสติไม่ได้แปลว่ากําหนดพอโกรธขึ้นมาแล้วโกรธหนอโกรธหนอนี่ไม่ใช่เลยนะไม่ใช่วิปัสนาเลยตกจากวิปัสนาเรียบร้อยไปแล้วงั้นทาวิปัสนาเนี่ยมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะรู้ไปด้วย ไม่ได้ไปแทรกแซงนะของคุณไม่เข้าคอสได้ก็ดีหรอกนวส ก, การค่ะหลวงพ่อก็รู้สึกตื่นเต้นค่ ะ, อ, ะอยากจะกราบเรียนหลวงพ่อว่าเราจะทำยังไงในค่ะที่เราหลงอารมณ์อะค่ะคุกคีกับมาแล้วเราเราไปจมอยู่กับตรงนั้นในขณะที่รเรารู้ไหมรู้ไมว่าจิตจมลงไปทราบค่ะถ้ารู้ก็ใช้ได้ละ ไม่ต้องแก้ไม่ต้้องแกมันไม่เที่ยงหรอกยังไงมันต้องหลุดออกมามีอารมณ์อะไรที่จิตไปเกาะแล้วไม่หลุดไหมไม่มีครจิตเกาะนนทีเกาะนี้ที่ตลอดเวลาอย่างบางคนมีความทุกข์มากแล้วถามหลวงพ่อว่าทำไงยังไม่ทุกข์นี่มันทุกข์ตลอดเป็นไปไม่ได้ที่คนจะทุกข์ตลอดเวลามันทุกข์ทุกครั้งที่คิดถึงนะหังถ้าไม่คิดมันก็ไม่ทุกข์หรอกก็บางครั้งรู้สึกว่าพยายามที่จะไม่คิดแต่มันไม่ได้จิตมีหน้าที่คิด เราแค่รู้ทันว่าจิตชิดไม่แทรกแสงนะไม่ได้ไปห้ามไม่ให้มันคิดหรือร่างกายเนี่ยนั่งสมาธิอยู่ไม่ได้ไปห้ามมันว่าห้ามเมื่อยเราไม่ห้ามเลยไม่บังคับกายไม่บังคับใจเราแค่มีสติตามดูกายดูใจไปนะดูเล่นๆไปแต่เราบางทีพอเกิดเหตุการณ์ที่มันกระทบเรารู้สึกว่าเราขาดสติอะค่ะเราคุมไม่ได้คุมไม่ได้ขาดสติก็รู้ว่าเมื่อกี้ขาดสติฝึกอย่างนี้บ่อยๆต่อไปจะไม่ขาดสติ แล้วก็จะดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะแบบรู้เราไม่ได้เอาดีหรอกนะแต่เราจะรู้ได้เร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะทุกน้อยลงใช่ไหมคะเพราะว่ายังทุกน้อยลงแน่นอนยังทุกเกกับเรื่องเดิมๆทุกจะน้อยลงแน่นอนเคยมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งหลวงพ่อเคยถามใครเคยมีความทุกข์มากๆทุกนานๆบ้างมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยกมือนะตอนนั้นอยู่เมืองกาญจําไม่ได้แล้วว่าใครบอกว่าเป็นไรทุกขอกหักอกหักเลยทุกอยู่เป็นปีเลย ใครเคยอกหักไหมถ้าไม่เคยนะไม่รู้รสชาติของชีวิต <c oughs> <c oughs> หลวงพ่อยังบอกเด็กผู้หญิงคนนั้นเลยว่าไม่จริงหรอกที่อกหักแล้วทุกอยู่เป็นปีอะ่ะจําได้ไหมมีคราวหนึ่งไปเที่ยวศูนย์การค้าแล้วเกิดปวดอึขึ้นมาขนาดนั้นเราวิ่งหาห้องน้ํานะลืมเรื่องอกหักไปละ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ทุกเลยเห็นไหมหมวัวแต่จะวิ่งหาห้องสุ ข, ขาอย่างเดียวเลย พอเข้าไปปล่อยเรียบร้อยแล้วเริ่มคิดอีกแล้วมือหักล้างกู้ค่าทุกใหม่แล้วความทุกข์ก็เกิดเองคราวๆนะไม่ได้เกิดตลาดเวลาเฝ้ารู้มันไปดูมันไปเห็นเลยความทุกข์จะมามันก็มาความทุกข์จะไปมันก็ไปเราห้ามมันไม่ได้ขอให้หลวงพ่อแนะนําในการปฏิบัติค่ะไม่สามารถจะมาขับตัวเองยังมาขับตัวเองอยู่แล้วไปดูจิตเอาพราจิตเคลื่อนไหวเร็วเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นนะ ใช่ไหมนั่นแหละไม่โวหกหรอกเราเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นดูจิตไปดูง่ายเพราะมันเด่นชัดโทสะเป็นอารมณ์ที่เด่นชัดอ่ะต่อไปขอบคุณค่ะมรสการหลวงพ่อครับผมก็ปฏิบัติสองเดือนแล้วลยครับแต่ตอนนี้ผมอยากทราบว่าผมควภาวนาดีขึ้นเยอะเลยจิตตื่นขึ้นเตือนสิครับคุณ รู้สึกแม่ใจเราเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูมากขึ้นมากขึ้นนะครับผมนี่ภาวนาอยู่ใช้ได้แล้วแล้วมีจะต้องปฏิบัติอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับทํางานนะัดเคลื่อนไหวร่างกายไปแล้วก็คอยดูมันไปเรื่อยครับผมดูกายทางานไปเรื่อยแล้วจิตเคลื่อนไหวมันจะเห็นชัดเลยครับผมนะขอบคุณครับดีภาวนาใช้ได้ละนััสการของพ่อค่ะเ อ, อนักข่าวนี้ยังกดอยู่ แต่ว่าที่ผ่านมาอยาจะเดิยนทำหลวงพ่อว่าหนูฝึกแล้วคือตามรู้ตามดูแล้วเห็นอารมณ์มันอยู่ห่างๆ<ช>ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะใช่แต่ว่าอย่าจงใจให้อยู่ห่างนะอย่มีความเจือด้วยการจงใจให้มันอยู่ห่างๆนิดนึงมันประคองความรู้สึกตัวมากไปนิดนึงนยังยมีอยู่นี่มีนิดเดียวแล้วหนูก็คือแบบคือตอนนี้เข้าใจแล้วค่ะว่ารู้ตามรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นระยะระยะระยะก็คือให้รู้อย่างนี้ไปไเรื่อยๆแค่รู้นะรู้สบายๆนะเ <นะ S 1> ติมคําว่าสบายๆเข้าไปได้วย เพราะเวลาเรารู้วิธีเรารู้จริงจังเกินไปนิดนึงดูให้สบายนะแล้วมีความสุขภาวนาแล้วต้องมีความสุขจําไว้นะถ้าภาวนาแล้วมีความทุกข์แสดงว่าทําผิดแน่นอนจิตที่มีความทุกข์เป็นอ ก, กุศลและจิตจำไว้น ะ, ะจิตที่เป็นกุศลจะต้องมีความสุขมีความสบายขอบคุณค่ ะ, คะแม้อย่างนี้ยี่สิบคนสบายมากเมื่อกี้สิบคนนัดใกล้เดี้ยงมาอย่างนี้สู้ตาย ัรว่างไงอยากถามว่าที่ทําอยู่นี่ถูกต้องหรือเปล่าคะท ำ, ทำแล้วท <ำ S 2> ยังไงนิ่งแล้วมันเกิดมิจฉุขึ้นนั่นแหละติดสมถะอยู่นิ่งไปทําสมถาแบบไหนคือนั่งแล้วดูจิตดูจิตตัวเองค่ะดูลมหายใจค่ะเอาเอาไม่ลงแล้วนั่งให้หลวงพ่อดูตรงนี้เลยลืมหลวงพ่อไปลืมไปนึกว่าเราอยู่คนเดียวเนี่ยรู้สึกไหมเราส่งจิตไปดูแล้ว จิตเรากระโดดลงไปดูนึกออกไหมมันผิดตั้งแต่ตรงนี้ผิดตั้งแต่จิตมันกระโจนลงไปดูให้เราดูสบายๆเห็นมันทํางานอยู่นู่นเราดูอยู่ตรงนี้ห่างๆดูห่างๆอยา ก, กระโจนลงไปเพราะกระโจนลงไปมันคือการเพ่งๆไปเรื่อยๆเป็นสมถะนะในสุดก็เกิดนิมิตขึ้นมาเนี่ยรู้ถ้ารู้ตัวอยู่อย่างนี้จะไม่มีนิมิตขึ้นมาแล้วรู้สึกตัวไปสบายๆตรงนี้ไม่ใช่ละตัวตนี้กดไว้ละรู้สึกไหมไปกดจิตให้นิ่งอย่าไปกดมันปล่อยมันให้สบายๆรู้ไปเล่น เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วทำไปต้องรู้สึกตัวนะ <c oughs> ทำไปเห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูเนี่ยเห็นปีติขึ้นมาใจก็เป็นคนดูมีความสุขขึ้นมาใจก็คนดูนะทำสมาธิแล้ววันนี้ฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านใจเป็นคนดู <c oughs> ฝึกไปต้องก็มีใจที่เป็นคนดูในทุกๆสถานาการณ์นะถึงจะใช้ได้ <c oughs> ถ้าฝึกแล้วเคลิมใช้ไม่ได <c oughs> นะ้ถ้าฝึกต้องรู้สึกตัว ใครอยากหัดสมาธินะนั่งไปแล้วก็คอยรู้สึกอย่าให้เคลิมเห็นร่างกายนี้หายใจไปใจเราเป็นคนดูฝึกอย่างนี้ใช่ได้จิตแอบไปคิดทราบไหมบางครั้งก็ทราบค่ะหัดรู้บ่อยๆต่อไปพระใจไหลแวบรู้สึกเลยรู้เองอ่ะเดี๋ยไหลอีกแล้วรู้สึกไหมรู้สึกรู้เฉยๆไม่ห้ามนะอย่าไปห้ามมันอ้าบไปหมดยัง น้อสกาดค่ะที่หนูทําปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ค่ะท่านบอกว่าให้สบายๆหนูสบายถ้หลับเลยค่ะไปเดินนะไปเดินสบายๆเดินชมนกชมไม้ชมทะเลเราไปวาดภาพการปฏิบัติเอาไว้เคร่งเครียดเกินความจริงนะเช่นต้องนั่งไม่เห็นอะไรเลยต้องอยู่นิ่งๆเดินก็ต้องเดินมีเส้นทางเดินเดินออกนอกเส้นทางไม่เรียกว่าเดินจงกรมต้องอยู่บนทางจงกรมถึงจะใช้ได้ไม่ใช่หรอก ถ้าเมื่อไร่เดินด้วยความมีสติทุกก้าวที่เดินด้วยความมีสติเรียกว่าเดินจงกรมทั้งหมดงั้นอย่างเราเดินริมทะเลนะเห็นทะเลสวยใจเราชอบเพื่อมารู้ว่าชอบอย่างนี้ก็ใช้ได้ลนะเห็นนกบินมาใจเราพอใจรู้ว่าพอใจนี่กำลังเดินชมไปชมมารถมาเฉียวโมโหแนละรู้ว่าโมโหไปฝึกอย่างนี้นะฝึกไปอย่าไปฝึกให้นิ่งนะบังคับตัวเองแรงไป กับนมัสการหลวงพ่อคะคือเนื่องจากมีคนถามถามคําถามนะคะเรียนกับเรียนท้าอาจารย์คะคือเมื่อเกิดทุกข์ให้มีสติรู้ว่าทุกข์ในทางโลกจะแก้อย่างไรค่ะคนละเรื่องกันนะคนเวลามีความทุกข์ในโลกเนี่ยแล้วเข้าไปตะลุมบอลกับปัญหาเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาได้ดีหรอกเมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่สภาความมั่นคงงานคืองานคิดทั้งนั้นเองงานวิเคราะห์งานเซตนโยบายงานทําแผนอะไรอย่างเงี้ย เรารู้อย่างหนึ่งว่าคนที่ครุกอยู่กับปัญหาเนี่ยมองอะไรไม่ชัดหรานะงั้นเวลาที่ปัญหาในชีวิตเกิดขึ้นนะใจเรากลุ่มใจขึ้นมาให้มีสติรู้ทันก่อนความกลุ่มใจมันจะหายไปเราจะมีสติมีปัญญาแล้วใช้สติใช้ปัญญาเนี่ยไปแก้ปัญหาเอาอย่างพวกราชาการนะบางทีทำงานนะชอบเขียนโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วก็มีที่ปรึกษานะบางทีจ้างพวกขอนซาวเนี่ยแพงนะ ทำไมคนพวกที่ปรึกษาพวกนั้นมันรู้ดีกว่าเราหรือเปล่ามันไม่รู้ดีกว่าเราหรอกเรารู้งานของเราดีกว่ามันแต่ทําไมมันมองการแก้ปัญหาได้ดีกว่าเราเพราะมันไม่ได้ครุกวงในนะนั้นเวลาที่ปัญหาในชีวิตเกิดขึ้นมาเนี่ยความเครียดเกิดขึ้นนะให้รู้ทันตัวเองก่อนนะปัญหากับความทุกข์นี่เป็นคนละอันกันนะในทางโลกที่บอกว่าแก้ความทุกข์ไม่ได้แก้ความทุกข์แคแก้ปัญหานะความทุกข์มันเกิดที่ใจเราเนี่เอง เพ้เวลาที่ปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยจิตใจเรากังวลขึ้นมาเช่นสมมุติว่าลูกเราติดยาขึ้นมาเนี่ยลูกติดยานียพอได้ยินว่าลูกติดยาเนี่ยกลุ่มใจละสิ่งแรกที่ทําคือกลุ่มใจถ้าเอาจิตใจที่ยังกลุ่มอยู่ไปคิดแก้ปัญหาเนี่ยมักจะแก้ปัญหาหนึ่งแล้วสร้างปัญหาอีกอันหนึ่งขึ้นมาแต่ถ้าใจเราเราฝึกของเราให้ชํานาญนะลูกติดยาปุ๊บเรากลุ่มใจเราเห็นปับน๊บเลยความกลุ่มใจสลายตัวไปจิตเราเป็นกลางแล้ว เราจะสามารถคิดวิธีแก้ปัญหาได้ประณีตกว่าคนที่กําลังมั่วอยู่กับปัญหาเราะฉะนั้นคนละเรื่องกันนะศา ส, สนาพุทธนี่เราฝึกจนกระทั่งใจเราสามารถเป็นกลางใจเรามีความสุขมีความสงบได้ในท่ามกลางปัญหาแล้วใช้สติใช้ปัญญานะ่ยไปแก้ปัญหาเอาไม่ใช่ว่าไปภาวนาแล้วปัญหาจะหายลูกติดยาแล้วก็เลยหนีไปหาหลวงพ่อประโมท น, นะไปนั่งสมาธิเดี๋ยวออกจากวัดลูกคงเลิกติดยานะั่นโง่ที่สุดละ คนละเรื่องกันเลยงัย้นขั้นแรกนะเวลาที่ปัญหาเกิดขึ้นกับชีวิตนะให้รู้ทันตัวเองก่อนรู้ทันใจของเราเคยมีเศรษฐีคนหนึ่งเช็คเด้งสิบล้านคิดได้อย่างเดียวตอนเช็คเด้ง10บล้านกูจะฆ่ามึงข้าวเขาไม่กินนะกลุ้มใจนอนก็ไม่หลับนะเครียดมากขึ้นมากขึ้ น, นยังไม่ทันจะฆ่ามึงเลยเกือบจะตายเองอยู่ลนะมาหาหลวงพ่อเนี่กลุ้มใจหลวงพ่อถามอยากให้เช็คมันไม่เด้งใช่ไหมใช่ใช่ใช่ มันเด้งแล้วมันเด้งแล้วนะต่อไปนี้นะไปกินข้าวก่อนแล้วไปนอนให้สบายเลยนะมันเด้งแล้วไม่ต้องรีบกลุ่มใจหรอกตอนนี้ถึงยังไงกลุ่มแค่ไหนนะก็ยังเด้งแล้วก็อีแตนนี่ก็เชื่อนะไปกินข้าวไปนอนตื่นขึ้นมาหัวไบร์ขึ้นมาแล้วม้ <c oughs> มันถอนตัวเองออกจากปัญหาที่ก็เข้าไปคลุกวงในอยู่พอถอนตัวเองออกจากปัญหาได้เริ่มมองได้แล้วจะลดความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ยังไง จะไปเจราจากับเขาไหมจะไปประนอมหนี้ไหมหรือจะฟ้องล้มละลายเกิดช้อยในการแก้ปัญหาขึ้นทั้งหลายอันให้เลือกนี่เพราะอะไรเพราะมีสติขึ้นมาแะ้วแต่ถ้ากลุ่มใจถูกความกลุ่มใจครอบงําอยู่แก้ปัญหาอะไรไม่ได้จริงหนอกนั้นต้องแยกกันนะปัญหาเนี่ยเป็นสิ่งปกติธรรมดาของชีวิตทุกชีวิตมีปัญหาตลอดเวลาแต่ความทุกข์เป็นส่วนเกินของชีวิตศาสนาพุทธสอนให้เราขจัดส่วนเกินอันนี้ทิ้งไปเราจะไม่มีความทุกข์นะ แต่ปัญหามีก็สุดท้ายครับเดี๋ยวเราจะได้ตั้งจิตถวายพระไตรกับหลวงพ่อพร้อมกันนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์ชัยเวชนุษย์ประยูนที่ปรึกษากิติมศักดิ์ฝ่ายวิชาการของเลขาธิการสภาการชาติไทยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนศรีราชา เป็นตัวแทนนะครับในการถวายพาะไตรจีวรและเครื่องปัจจัยทายธรรมแก่พระอาจารย์ครับขอเล่นเชิญอาจารย์ครับเดี๋ยวกระผมจะขอเป็นตัวแทนในการกล่าวคำถวายนะครับก็ขอให้ทุกชั้นได้ร่วมตั้งจิต ร, ร่วมกันนะครับข้าพเจ้าทั้งหลา ย, าลายขอน้อมถวายพ้าไตรจีวรพร้อมด้วยสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แต่ท่านพระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชขอท่านพระอาจารย์ได้โปรดรับพ้าไตรจีวรพร้อมด้วยสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพาน แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายาาสิ้นกาละนานกาละนานเถินเดี๋ยวต้องมีให้พรตามธรรมเนียม <laughs> <laughs> ยะถาวาริวาหาปูราปริปูเรนตีสาครังเอวเมวายโตดินนางเปตานางอุปกปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิฉตุ สัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปันนราโสยทามณิโชติราโสยทาสั พ, พีตีโยวิวัชชนตูสัพพโรคโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาฒนาสีลิสนิจังอุทธาปจจายโนจัตตาโรโอธรรมาวทฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลัง ภาวนานะภาวนาหัดรู้สึกตัวนะรูปกายดูใจให้โอกาสกับชีวิตตัวเองบ้างนะเราให้โอกาสกับคนอื่นเยอะแล้วลองให้โอกาสกับตัวเองด้วยการฝึกสติแล้วชีวิตเราจะมีความสุขทันตาเห็นไม่ต้องรอชาติหน้าหรอกนะ